ให้ท่านใดศึกษากันเนี่ยคงจะเป็นเร่าวก่าหน้านะฮะว่าบุคคลที่ไปอยู่ป่าหรือไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็ได้แต่เป็นทมไมคก่อนก็พระภิกษุไปอยู่ป่าแล้วก็ไปถูกงูกัดบ้างไปถูกพูดผีหลอกบ้างตัวพุทธเจ้าก็สอนให้แผ่เมตตาและบทสอนเนี่ยท่านก็จะสอนให้พรานี่เอาไปสวดบ้างเอาไปไปแฝงและ บทสวดเหล่านั้นพระรุ่มหลังหมายถึงพระบรณาณจารย์ในบ้านเมืองเราความจริงก็ตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแล้วท่านเอามาใช้เป็นบทสวดทับปริตในประเทศลังกาก็สวดกันในหนังสือสวดมนต์ถ้าจะไปห า, หานะอ่านนะฮะก็มีในสวดมนต์แปลที่เรียกว่าขันทับปริตรขันธบปริตรีนหมายถึง ผลิตที่กล่าวถึงการแผ่เมตตาแบบป้องกันตัวเองให้พ้นจากภัยต่างๆก็ถ้าไม่ส่อ่านเองผมก็จะถ่ายทำเป็นเอกสารมาให้โดย่าไปค้นมาจากพระไตรปิฎกอีกทีหนึง่งแต่ ว, ว่าที่อ้างนั้นอยู่ในพระไตรปิฎกแต่ว่าในตอนนีนะ้เราดูเนื้อความที่เกี่ยวกับอนิสงส์เมตตาเราคงจะเคยได้ยินมาแล้วครับ ว, ว่าเมตตาหน้ามีอนิสง์หรือเตประการ แต่ว่าในทิเบตประการนั้น อ, อยู่ที่ใดแห่งพระไตรปิฎกนั้นในที่นี้ก็ได้บอกไว้มีชื่อว่าเมตตาสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบสองข้อที่สองร้อยยี่บสองก็สองทั้งนั้นอ่ะสองห้าตัวเลยพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอ น, นิสงส์ของเมตตาแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเมื่อเมตตาเจโตวิมุต อันบุคคลเสพแล้วทําให้มากแล้วทําให้เป็นดุจหยาดทําให้เป็นที่ตั้งให้ตั้งมั่นโดยลําดับสังสมดีแล้วปลารบดีแล้วพึงหวังหานนสงสิบเอ็ดประการสิบเอ็ประการเป็นฉะไหนนี่ก็เป็นบทเบื้องต้นเราจะสังเกตว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้คําว่าเมตตาเจโตวิมุตคําว่าเจโตนั้นเป็นชื่อของสมาธิ เหมือนที่เราได้ยินคำว่าศีลจิตแล้วก็ปัญญาที่ใช้คำว่าจิตอาทิจิตอาทิตจิตสิกขาเนี่ยหมายถึงสมาธิเจโตก็หมายถึงสมาธิ จ, จิตจิตที่เป็นสมาธิวิมุตต์นั้นหมายถึงความหลุดพ้นเจโตวิมุตตเนี่ยหมายถึงสมาธิที่ถึงขั้นสำเร็จถึงขั้นสำเร็จก็คือสมาธิที่ถึงขั้นฌาน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 เป็นคนที่เพ่งเพ่งกระสินถ้าเป็นกระสินดินปฐวีกระสินพวกนี้ก็สามารถที่จะเก่งในทางอยู่ยง ข, งของพันธุาตรีหรือทำของเหลวให้กลายเป็นของแข็งง่ายดาถ้าเป็นคนเพ่งสีก็สามารถที่จะอธิษฐานจาแลงแปลงสีแปลงสี ของสิ่งหนึ่งให้เป็นอีกสิ่งหนึ่งหรือแปลงสีตัวอจากสีหนึ่งเป็นสีหนึ่งได้เสื้อป้าอะไรก็ได้ทั้งนั้นอันนั้นก็ถือว่าเป็นพลังพิเศษแต่เมตานั้นก็มีพลังพิเศษพระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงพลังพิเศษของสมาธิที่มีเมตตาเป็นอารมณ์ไว้อผมผมอยากจะพูดย้ําอย่างที่อาจจะเคยพูดมาแล้วว่าคนทําสมาธิจะด้วยเพียงอารมณ์อะไรก็ตาม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 บางองค์มีลักษณะทางเมตตาใช่ไหมบางองค์มีลักษณะทางทางปัญญาทางอื่นหือแตกต่างกันไปที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเราตอบได้เลยครับกำหนดรู้ได้เลยว่าเป็นเพราะว่าการเล่นสมาธิของท่านเหล่านั้นมีอารมณ์ที่เป็นจุดเน้นต่างกันหลวงพว่อปูลนั้นดีทางไหนดีทางเมตตาใช่ไหลักษณะทางเมตตาแล้วก็ลักษณะทางกลัง ถกมลวงพ่อูนั้มีลักษณะทางกลางถ้าเป็นหลวงพ่อโตมีลักษณะทางกลางออกมาเมตตาก็อาจมีบ้งางแล้วก็ท่านผู้อื่นบางองค์ก็เป็นเปนอาจารย์กลังขลังอย่างเดียวเลยอย่างหลวงพ่อแลที่เพชรบุรีท่านก็มีเน้นไปในทางกลางแต่ตัวท่านเองก็มีบุคลิกทางเมตตาอยู่บ้าง แต่ความคลังออกหน้าก็นับถือทางความคลังในพในระป่าหลายๆรูปเนี่ยก็สังเกตดูก็มีลักษณะเป็นจุดเด่นต่างกันแต่แต่ก็ต้องบอกว่าบางคนนั้นมีลักษณะในหลายๆห ล, ยห ล, ยหลยอย่างเนี่ยปนรวมอยู่ในองค์เดียวกันเพราะว่าท่านทำหลายอารมณ์ทีนี้เวลาแผ่เมตตาถ้าใครแผ่เมตตาด้วยจิตที่ เป็นสมาธิที่ยังไม่ถึงขั้นชานอานิสงส์ที่พึงได้เหล่านี้ก็ลดหย่อนไปตามส่วนเราถึงไม่อาจจะรับรองได้ว่าคนแผลเมตตาบางคนจะหลับเป็นสุขบางคนพอแพลแผลเลยหลับเลยนอนไม่หลับหลยบางคนก็บอกว่าพอแผลเลยรเลยเป็นห่วงห่วงลูกห่วงลูกว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เลยนอนกายหนะ้าภาคืนนนะ้นนอนไม่หลับเลย เพราเป็นห่วงก็เลยชักจะไม่ค่อยแน่ใจแตแล้วนะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่าและแม้แต่ข้ออื่นๆเนี่ยคนที่แผลเมตตาบางทีก็เรามีเมตตาเนี่ยก็เลยโดนเขาเอาละเอาเปรียบเอานะก็เขาก็รักเหมือนกันรักแบบร อ, ล, อลิงรอลิงรือเจ้าจอาิจาระลเอาเปรียบแล้วก็แอแม้แต่เรื่องผลอื่นๆ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 บางคนเนี่เขาไม่ได้ไม่รู้ว่าแฝงแม่ตายไงแต่เป็นคนที่มีลักษณะทางมิตรภาพดีในทางสังคมเนี่ยคนผู้นี้ถ้าไปแผงแม่ตาแล้วขึ้นสูงเลยเพราะว่าไม่แฝงยังคนก็มารุมรักอยู่แล้วนะบางคนก็เป็นค น, นหัวถึงหมอนแล้วหลับไม่ไม่ต้องแฝงไปหลับเป็นสุขเลยหลับหลับไม่อยากจะตื่นถ้าแฝงก็เลยสบายอันนั้นเรียกว่าเป็นพื้นฐานทางําของแต่ละคน ถ้าไปแผ่เมตตาก็จะเป็นเป็นตัวถือทีนี้ถ้าหากว่าพื้นฐานทางกรรมของบุคคลนั้นมีข้อบกพร่องการแผ่เมตตาจะให้ได้ผลต้องมีอพลังของเมตตามากกว่าปกติจึงจะมีผลถูกลินี้ก็ว่าเป็นอย่างลงุงๆล้วก็เรามาดูว่าจะอธิบายไปตามกรอบตามคัาลองว่าเหตุผลโดยลําดับสิเอ็ข้อ หนึ่งที่ว่าย่อมหลับเป็นสุขอธิบายแบบเหตุผลทางทางทางจิตวิทยาธรรมดาเนี่ยน ะ, ค, ะคนที่มีความคิดอาฆาตเคียดแค้นรือพูดง่ายว่าขี้ถือสาให้อภัยคนไม่เป็นเนี่ยให้อภัยคนยากเนี่ยคมตาให้หลับยากเชื่ไหม แค่เราขับรถวันนั้นไปโฉบไปเกี่ยวกันแล้วก็ไมหมาไปก็ไม่ได้เลยนะเข้าใจก็ไม่ได้กลับบ้านหัวใจเต้นแหละนอนไม่หลับใช่หมห้ยหรือว่าพูดผิดผูกันนิดหนึ่งขนาดแยกพ้องันนอนแล้วยังสั่งคนยังไม่หลับหมายถึงสามีภรรยาเกิดมีอะไรผิดใจกันนิดหนึ่งนอนไม่ไม่หลับแต่โดยมากจะเป็นข้างข้งสุภาพสตรีมากก็ว่ากดปริภูณลำบาก ทนี้ถ้าเราเป็นคนที่ให้อภัยคนเข้าใจคนมีความรักความปรารถนาดีต่อคนเนี่ยเอาแค่เราให้อภัยคนเท่านั้นนะกลับบ้านจะนอนหลับคือเป็นคนที่ไม่มีกังวลจะนอนหลับง่ายอันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหลักธรรมดาเพราะฉะนั้นคนที่แผ่เมตตาแล้วเนี่ยเมื่ออธิบายแบบธรรมะนั่นหนึ่งนกวรไม่กวน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 ให้บังคับให้ทําสมาธิจะหลับง่ายบางทีพอบอกให้ทําสมาธิรีบหลับ เ, ลเพราะว่ากลัวการหลับสมาธิเด็กๆเนี่ยทุกคนอ่ะที่ขีนะ้เกียจอ่ะบอกว่าทำมาทำนอนปิ้งไปปิ้งมาแบบนี้ทำไมหลับลุกขึ้นมาทำสมาธินอนเงียบแล้วหลับเลยถ้าได้ผลดีแต่ว่าพอบอกให้ทําสมาธิคงรวมตัว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 ถามว่าเวลาที่เราหลับเป็นสุขและตื่นเป็นสุขเนี่ยมันสุขกายหรือสุขใจหรือสุขทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างใช่ไหมเวลาเราเป็นทุกข์เนี่ยเป็นทุกข์ทั้งสองอย่างถูกไหมมีใครบ้างที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยมึนทุ ก, ท, ก, ท, กทุกวันมึนเปรี่ยตทุกวันหรือเมื่อยปวดกระดูกทุกวันปวดเรียวไปถึงกระดูกนะบางคนเป็นอย่างนั้นนะบางคนก็บางคร้างเป็นบางค้างไม่เป็น บางบางทีก็ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกมันเครียดตามตัวเนี่ยอันนั้นก็ตื่นไม่เป็นสุขทีนี้เมื่อร่างกายมันไม่เป็นสุขจิตใจก็พลอยไม่เป็นสุขด้วยก็เป็นของอ่าเกี่ยวข้องกันแต <c oughs> กแ่การแผ่เมตตานั้นเป็นการจัดแจงทางจิตพูรณงตัวเหตุน ะ, ะแต่เมื่อบุคคลเป็นสุขในขณะหลับและในขณะตื่นนั้นย่อมเป็นสุขทั้งกายและจิตคู่กัน แล้วว่าถ้าจะพึงไม่เป็นสุขบ้าง <c oughs> สำหรับในบางคนก็อาจจะเป็นที่ร่างกายเช่นว่าเจ็ <c oughs> บแค่ได้ป่วยนี้นะตาที่สนาพาดซึ่งก็ไม่เป็นปนัญหาอะไรมากนะักนี่เป็นอนันในสงข้อที่สองอันในสงข้อหนึ่งบาลีคําหลังกับฝาเนี่ยให้แก้เป็นสุขปัดสุกอ่อไก่แมนากาศเนี่ย ที่ถูกคือซอเสือทะละอุอ่านว่าสุปติแปลว่าย่อมหลับสุ ข, ขังเป็นสุสุปาในแปลว่าหลับเหมือนชื่สุปาพุทธะสุปาพุทธะแปลว่าพูดตื่นในเวลาหลับสุปาพุทธะกุติที่เป็นโลกกุตังเวลานอนแล้วก็ต้อง เกาแหลคันหลับหลับตืบ่นตืเขาเรียกเรียกว่าสุบาพสุบาพแล้ ว, ว่าหลับพุท ธ, ธะแล้วว่าตื่นกุฏีแปล ว, ว่าผู้เป็นโรคโรค ก, กุฏังคือหลับหลับตื่นในเวลาหลับเพราะโรค ก, กุฏังผลที่สามย่อมไฟฝันหลามกาย่อมไม่ฝันลามก คำว่าฝันลามกุกลามุกนั้นท่านแปลมาจากภาษาบาลีว่าปาปังฝันบาลีก็ใช้คําว่าสุบินบาลีจริงๆก็เป็นสุปินะเนี่ยสุปินะสุปินังเนี่ยนะปัตสตนะิแปลว่าเห็นก็คือฝันเห็นสิ่งลามกุกนี่ก็แปลแบบรักความรับฝันลามกนะปฏิเสธว่าไม่ ไม่ฝันลามกฝันลามกอย่าไปนึกถึงเรื่องอเฉพาะอยา่างแต่ท่านหมายถึงฝันเห็นสิ่งที่เป็นบาปอันหนึ่งจะเป็นว่าฝันว่าถูกเขาฆ่าก็ดีฝันว่าฆ่าเขาก็ดีหรือฝันว่ า, าในเรื่องพฤติกรรมทางเพศก็ดีเรียกว่าเป็นลักษณะฝันทางบาปทางนั้นและแม้บาปอื่นๆนะครับทั้งนั้นเลยเรียกว่าเป็นการฝันในทางบาป แล้วก็ไอความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็สมคร้อยไปกับลักษณะอารมณ์ที่เราฝันถึงเช่นว่าเราฝันว่ามีคนมาฆ่าเราเราก็เกิดความกลัวตกกตกใจก็เป็นลักษณะของความฝันลามกอย่างนั้นทีนีเ้เราก็มาพูดถึงว่าการที่เราฝันเห็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันเสียหายอะไรเราเคยคิดมามันเสียหายอะไร เช่นเราฝันว่าโดนเขาฆ่าเนี่ยกระเตือนใจบ้างไหมกระเตือนนะแล้วก็ถ้าเราฝันว่าคนเป็นที่รักของเราเนี่ยตายจากไปกระเตือนใจไหมกระเถือนนะแล้วฝันว่าถูกไฟไหม้บ้านแล้วยิ่งฝันว่าันหักฝันมันก็ถ้าจริงเป็นคนเชื่อนะเขารู้สึกว่ากระเตือนใจนี่จริงไม่จริ ง, ไ ม, รงไม่รู้แต่ว่าผมได้รู้จักบางคนที่ ฝันแล้วเป็นจริงนี้ก็เป็นพรประวัตเพราะเป็นพรประหวัตทางฝันฝันแล้วเป็นจริงอ่ะทั้งดีทั้งไม่ดีจริงหมดเพราะว่าเอาไม่ไว่าจะทั้งห้อนใจไม่ไว่าจะฝันเนี่ยฝันแล้วเป็นจริงเลยน่ากลัวมากคนพวกนี้โกรธนันพูดได้แต่เรากลัวนะกลัวจะมาฝันเราในทางไม่ดีนี่พูดถึงแทนความรู้สึกของคนข้างเคียงทีนี้ถ้า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 สุขภาพทางจิตหรือปกติภาพทางจิตเัาเสียไปอันหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการที่คนฝันมากๆเนี่ยมันไม่ดีตรงที่ทำให้เรานอนน้อยนะฮะแค่มั้ไอเราก็ไม่รู้อ่ะทำไมบางคนเนี่ยเขาถึงช่างฝันเสียจริงๆเคย มีเพื่อนผู้ไหมครับ ท, ที่เป็นคนฝันเก่งมากฝันเก่งไม่ใช่ดีนะคือฝันได้หลับเมื่อไหร่ฝันมานะ่ะผมเคยนั่งรถไปต่างจังหวัดเนี่ยนะแล้วก็ไปจอดรถที่แถวนครพหลันผมขอเวลาครับสิบนาทีเพื่อเที่จะโทรศัพท์มานรงเทพพอเข้าไปเขาบอกเขาฝันเล่ายาเวเหยียดเลยฝันเป็นตัวเป็นตากือหลับเมื่อไหร่ฝันมานะั่นนี่ ให้เราก็มาคิดในแง่ธรรมมาว่าเออทําไมทําไมคนบางคนซึ่งมีลักษณะฝันง่ายแล้วันเลื่อนเติ่งเนี่ยนะ<ม>ก็พิเคราะห์ดูแล้วก็ได้ความว่า<ม>คนใจที่เป็นคนสภาพจิตอ่อนแออ่อนไหวหรือเสื่อมหน่อยไม่แข็ ง, งนะเนี่ยนะสิจิตมีตําเนียเราเรียกว่าจิตเปตําำเนียจะเป็นคนฝันง่ายฝันเลื่อนๆเติ่ ฝันได้ทั้ทุกเมือ่อถ้าเป็นอาจารย์ใบหัวคงดีอ่ะแต่คนที่สภาพจิต ด, ดีเนี่ยกลับเป็นคนที่ฝันยากและถ้าเป็นพระหลหันี์ไม่ฝันเลยดีก็ไม่ฝันชั่วไม่ฝันเพราะว่าในทางหลักนี่ก็ถือว่าความฝันน่ะเป็นความปราศจากความพวกคุมทางจิตชนิดหนึ่งคนที่ควบคุมจิตได้เนี่ยมันมังควบคุมจิตตื่นควบคุมจิตหลับ ควบคุมใหมฝันหรือควบคุมให้ฝันว่ายังไงแต่เราเราไม่เคยควบคุมตัวเองนะแต่ว่า <c oughs> ในการในการสะกดจิตเนี่ยทําได้คือสั่งให้ฝันว่ายังไงสั่งให้ฝันว่ายกหูโทรศัพท์ไปก่อนนะคือนี่ให้ฝันว่ายังไงฝันตามตามคําสั่งได้มันก็เป็นลักษณะที่คนอื่นเขา <c oughs> เข้ามาทําให้ฝันการโดนใจให้ฝันถึงมี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 แผ่เมตตาเวลาเราแผ่เมตตาเนี่ยเราก็แผ่ไปให้กับสิ่งมีชีวิตใช่ไหมฮะก็มีทั้งมนุษย์มีทั้งธรรมนุษย์อย่างที่เราฝึกึ ก, กันมาเนี่ยครับในเมื่อ <c oughs> เราแผ่ออกไปในลักษณะเจาะจงถึงกลุ่มใดถึงผู้ใดเนี่ยมันก็จะได้รับความรู้สึกออกกลับแต่ถึงแม้ว่าเราจะ <c oughs> แผ่เมตตาไปแบบไม่เจาะจงไม่เจาะจงเนี่ยไอลักษณะของเมตตาโดยตัวของมันเองเนี่ยท่านก็บอกอยู่แล้วว่า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 ไม่เป็นอันตรายได้รับความอบอุน่นมีความสุขดีคนที่แผ่เมตตาจึงเป็นที่รักของมนุษย์แล้วก็โดยเย่ออย่างยิ่งถ้าคนนั้นแผ่เมตตาจนถึงได้สมาธิขั้นสากที่เรียกว่าเมตตาเจโดยมดุต้นจะเป็นที่รักของมนุษย์อย่างแน่นอนเป็นที่รักอย่างแน่นอนไปอยู่ที่ไหนก็ ก, ก็มีคนดูแลใอาใจใ่ อย่างแน่นอนเลย เ, เรื่องนี้เราก็<ๆ>ก็เห็นจริงเห็นจังเรามานานะแล้วก็ไหนฮะออ ม, มีแต่ตรงนี้เราคงยังไม่ได้พูดกันนะเขามีรายละ <c oughs> เอียดบอกผมยกตัวยอย่างอย่างพระพระเจรี่์เนรเนย ทีว่าไปอยู่องค์เดียวในถ้าห่างไกลผู้คนท่านจะชวนเขาไปไม่ได้มีนนมโอกาสไปบอกไปแล้วท่านเลี้ยงได้ตลอดไปอยู่องค์เดียวที่กระบี่นะเข้าไปลึกไม่มีใครพระพาไปอยู่ไม่ได้แต่นเนนไปอยู่บอกก็ถามว่าอดอยากมองไม่หดนอกจากไม่หดแล้วยังบินระบาดยังเล่นตัวดิ <c oughs> <c oughs> ท่านไปบินระบาดสี่โมงเช้ หันมือเดียว <c oughs> แล้วก็เวลาไปเนี่ยพางทีก็เขาเตรียมไต่าบาตว้ทัุงสมมุติว่ายี่สิบเจ้าตลอดระยะเวลาเดื่างเนี่ยท่านไปสามเจ้ากลับแต่บอกว่าถ้าถาโยอมไปอยู่ด้วยจะไปแถม <c oughs> <c oughs> ไม่อีกเจ็ดเจ้าก็กลัวไม่อิ่มแล้วบอกว่าไม่มีวันอดเอาไงก็ได้เพราะว่าไปอยู่ที่นั้นท่านแผลเมตตา ตามหลักปฏิบัติปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วครับการแผ่เมตตาอะไรพวกนี้ยเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่หดตายมีแต่คนอยากจะมาทมําบุญแล้วก็บอกว่าเมื่อก่อนมีคนอื่นมาเนี่ยคนไม่ไม่ไม่ไม่ดูแลไม่เอาใจใส่ก็อยู่ฝืดเสื่องก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างทั้งกระดาษ อย่างโอย่างกรนี้อย่างพระเนี่ยถ้ามีเมตตาเนี่ยเราก็รู้สึกว่ารักใครนับถือนะนี่เป็นธรรมดาหรือแม้แต่ใครก็ตามนะครับที่เป็นมนุษย์ผู้หญิงผู้ชายที่มีลักษณะทั้งเมตตาก็จะมีสเสน่ห์ในความรู้สึกของมนุษย์ที่มาเกี่ยวข้องจ็ลองดูอย่างอย่างแม่ทีแม่ทีเดียนแม่ที เ, ทเทาตระซ่านะ่ะก็ ดูประวัติแล้วก็ได้รูบบ้สึกว่าแปลกดีนะประสบความคือเราก็ต้องถือประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างหนึ่งด้วยพลังของเมตตาอย่างเดียผู้นําอของประเทศมาอำนาจยังยังโคค้า ด, ด้วยก็ง่ายน ะ, ะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็โคค้า ด, ด้วยแล้วก็เป็นที่รักที่ชื่นชมของคนที่แม่ไม่ได้นับถือรัฐที่ศาสนาเดียวกันไม่ขี ก็เป็นเรื่องของเมตตาที่แสดงออกทางกายกรรมที่ถ้าเป็นเทวดาเทวดาย่อมรักษาจะเห็นว่าท่านใช้คําต่างจากข้อห้าข้อหนะ้าน่ะย่อมเป็นที่รักของมนุษย์แล้วข้อสี่ครับเป็นที่รักของมนุษย์ข้อห้าเป็นที่รักของอามนุษย์คําว่าอามนุษย์ในที่นี้ท่านหมายถึงผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์ทั้งหมด เดรฉานด้วยสัตว์ร้ายต่างๆด้วยเรายกตัวอย่างผู้กันมาเยอะนะเรื่องพระหรือผู้ที่มีเมตตาแลวแผ่เมตตาให้สัตว์สัตว์มันไม่ทำร้ายมันรักใครอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาในประวัติพระพุทธเจ้าในประวัติของพระเทรานุเทละในสมัยพุทธกาลก็อธิบายในลักษณะของเมตตานี้ด้วย คราวหน้านะผมจะเอาเรื่องคำทับบลิมาเล่าแล้วก็เอามาให้ดูว่าขั้นแผงนั่นยังไงเวลาแผ่ไปถึงพวกงูงูสี่เรีกสี่กำหนดสี่สี่ตระกูลแผ่ไปแบบพูดเลยแบบที่เราพึกกันเนี่ยพูดมาแผงไปถึงงูงี้ว่างูเหยือาล้องไปใช้นะแต่ว่าซ้อนลองนี่ก็ต้องอดูทางนีที่ไร่ไดีกว่า แต่พูดมันเหมือนพูดเหมือนเราไปเจองูลพลาดทางอยู่เ้วก็ไปอย่างที่เคยใจมาไปนั่งอยงยอ ง, องข้างลางๆวันนีป้ปาม บ, บอกแล้วพูดก็มันก็เองว่าขวางทางนะทาไมวะใครจะไปพูดทำมากไว้เดี๋ยวไม่ทันเวลานีา อ, ยาอยู่ที่ไหนลู่อยู่ไหนก็บอกบ้านที่อยู่ไหนล่ะ ว่าสเปสตาอะไรนี้ก็พูดแล้วก็พูดแกมประตันไปเห็นแล้วมันก็เหมือนเหมือนฟังเราเลื่อกนะฮะการขันแล้วก็เลือไปเราไม่ต้องไปางาําภาพตรงใจงมันมันกระเสือกกรอะไรเนี่ยล อ, ลองลองหัดหัพูดประมานี้ น, น, นะก็แจมไม่ถูกทำมันอลารนีถ้าเป็นพวกยักษ์พวกเปรดก็เห็น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 ฝันว่ามันผีมาเข้าผีมาหลองแผ่เมตตาในฝันอย่างสําเร็จสำเร็จอะไรทงจะเป็นสาเร็จต่อในฝันนี่ก็ถือเป็นความสําเร็จดันนี่ยเพะฉะนั้นเวลาที่เราไปอยู่ในปา่าช้าอยู่ในที่เปลี่ยอยู่ในที่นี้ก็มีผีชุกชุมเลยนะแผ่เมตตาผูกมิตรได้หมมันมีตบาบะประหลาดเกิดขึ้นซึ่งมันไม่ใช่แค่ว่ามาให้มันทําอะไรแล้วไม่ได้แต่ว่าทําให้มันมาเป็น เป็นพวกเราด้วยอย่างอย่างที่อาจารย์เทียน เ, เล่าไอ้ผมจะเล่าให้ฟังแล้วอาจารย์เทียนไปที่ธรรมะกรรมลาล้วมาถามบอกถามบอกว่าผีมีจริงหรือเปล่าครับไอ้เราก็งงว่าทำไมมาถามจนฝ่านนี้แล้วมาถามเลยชี้ไปทีอ่อาจารย์ประสารมาไปถามคนนู่นเ่ะมีประสบการณ์ดี เขบอกไม่ถามมึงจะถามบอกามันก็มีอบอกอย่างนั้นเลยงั้นผกันเล่าเรื่องผีให้ฟังเขาจะพ้ออย่างนี้เพราะเราเชื่อแล้วเปล่าก็น่าจะรู้ว่าเราก็พราะเชื่อน่ะเขาไปไปดูแลเรื่องบ่อน้ําเข้าใจว่าไอหน้าพี่เขาคงจะทําทางนี้มันก็เป็นบุญนะนะคนที่มีเจตนาดีก็เป็นบุญนีเวลาไปไป ที่ต่งางจังหวัดอย่างเที่ยวสุด ท, ท้ายเนี่ยไปที่สกลนครไปปักปักเป็นเป็นเหมือนมันกลัวการ์ไปอยู่แบบตกกลางคืนหนูผีมาเข้าแถวยาวเหยียดเลยล่ะมองมอนจำลองกเหมือ น, นสุด ล, ลูกลูกตาไอ้บางตัวก็แขนถูกมันบางตัวก็ขามีโซ่ลามเหมือนนักโทษบางตัวก็เป็นผีแกบางตัวก็เป็นผีเด็ก นี่เขาบอกว่าเฮ้อเขาชื่นชมมันอย่างมันรู้จักเข้าคิวนี่มันคุ้ดีว่ะคนหนึ่งมันเข้าคิวนี่บอกเขามาหาอาจารย์เรื่องอะไรพวกเขามันมาขอน้ําดื่มแปลว่านี่มันเหมือนเรื่องใน ต, าตําราเลยว่าน้ําน้ําก็มีอยู่เพราะบ่อน้ําท่านจะไปพัฒนานะะเป็นโครงการหลวงเรื่องอะไรก็อย่างผมไม่ทราบรายละเอียดยชัดเจนนะแต่ท่านทํา ม, มาเยอะแล้ ว, ลวเขาเรียกว่ามีบุญทางนี้หีืมันคงรู้ว่าว่าคนมีบุญทางน้ําไปขอน้ําคนนี้แล้วได้ไดกิน แกตอนนั้นแกบอกแกนั่ตั้งตัวไม่ติดตัวแต่ทำใจดีสู้ผีบอกมาขอน้าก็เลยเอาไอ้ไอ้ขวดน้ำด่เอาไว้กินนะเอามาบอกเ้ามามาใจสัน่นเดน๋ยวนะแต่ทำมันเสียงแข็งบอกอามาแลแ้วแกก็เทเทลงไปที่ดินมันก็ก้มลงไปกินแล้วก็มันทำความคารวะแล้วก็ถอยหลังกลับเหมือนเข้าเฝ้าเจ้านาย แล้วก็ไปไอ้ผีกลุ่เรื่ก็มาแล้วก็ทำผมก็ไม่ทราบว่ากี่ตัวนะเดี๋ยวเจอจะน่าจะสามใหม่เพรมันกี่ตัวกี่ตนกันแล้วก็รู้ว่ามันน่ารักน่าสงสารมากมเซื่องเซื่องเนี่ยนะมันไม่เคยสัมผัสความน่ากลัวตรงไหนเลยก็บอกว่าขนาดมันมาขอน้ำกี่แล้ว ม, ม, มันน่ากลัวได้ไงมึงก็ต้องมาแบบเรียบร้อยน่าสงสารดิทีนี้ผมก็บอกกูแหมเนี่ย อาจารย์ถ้าคุยกันก่อนเนี่ยผีคงมีความสุขมากกว่านี้เพราะว่าไอการไปคือให้มันกินเนี่ยมันเหมือนกับเส้นเหมัอนเราเส้นผีก็กินแก้กินแต่ถ้าว่าเราเรียกมันมาให้มันมานั่งล้อมเลยนะล้อมเป็นเลยแล้วก็อุดทิศเป็นรูปส่วนกุศลแล้วก็เอาน้ําเนี่ยมาตั้งไว้เป็นเชื้อแบบเส้นแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้มันมันจะมีน้ํากินไม่อดตลอดไปเลย เพราะว่าให้ในรูปของฝลังบุแต่นี่มันมันมาได้ในรูปของลังในรูปของการเส้นมันก็ได้ไปเฉพาะหิ่มเยียวก็หิวอีกก็เลยบอกว่าเออถ้าไปใหม่ค่อยวาลันใหม่อเอกรณีอย่างเนี้ยอาจารย์เที่ยงก็เป็นนักปฏิบัติทมนะนักปฏิบัติทมแล้วก็พอตั้งตัวได้ ถ้าไม่ใช่อาการเตียนสงสัยมวิ่งแน่หร okay, ือไม่งั้นผีมันก็คงไม่มาเกาะมาหลอกก็เข้าใจว่ามันคงจะเป็นผีอะไรที่มันเกิดวกวนกันอยู่แถวนั้นนะนะบริเวณใกล้ๆบ้บนดาก็ได้สงเคราะห์ไปพวกผีพวกเปรตเนี่ยเรถือเป็นหามนุษย์พวกหนึ่งศาสิาล่ยฐานด้วยพวกนี้กลัวเมตตา ให้ตั้งเมตตาให้ปิดตั้งเมตตาให้อยู่นี่สู้ได้และไม่เป็นอะไรเจ้าคุณนอลลัตถึงบอกถึงบอกตรงเนี้ยให้ตั้งจิตเมตตาให้ได้แล้วไม่เป็นอะไรท่านมาเกี่ยวพวกนี้นะแทนที่จะจะให้ตกระถางตาแล้วให้ตั้งเมตตาจิตให้ได้แล้วไม่เป็นอะไรคนบ้าคนบอมาหาท่านนันก็บอกอย่างงี้ยให้ตั้งเมตตาจิตแล้วไม่เป็นอะไรทําให้เจ้ากรรมในเวรหรือศัตรูเนี่ยกลายเป็นมิตร สัตว์ดุร้ายกลายเป็นสัตว์เชื่องเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคงจับเปรตได้ว่าไอ้ความดุร้ายกับเมตตาเนี่ยมันของแพรนคนดุร้ายเนี่มักจะแพรคนมีจิตเมตตาคนนักเลงก็มักจะแพร่คนมีจิตเมตตาตังเกตมาเยอะนะที่ท่านกล่าวว่าเกวดา ย, ย่อมรักษาในข้อหกนะท่านไม่ใช้คําว่ารักเฉยๆนะ ใช้คำว่าเทวดารักษาคำว่ารักษาเนี่ยหมายถึงการให้การคุ้มครองป้องกันเวลาเราสวสดบทหนึ่งพวัตุกับพมังคลังจำได้มั้งมีบทหนึ่งว่ารักขันตุขพฏะเวดาตรงนี้เนี่ยแปลว่าผู้สวดเนี่ยให้พรให้พรเราขอให้เทวดารักษาท่านเทวดาเป็นคนที่สาม นะขอให้เทวดารักษาทจันไม่ใช่รักนั้นตูสัปเทวตาขอเทวดารักษาจัดแต่เราจะไปไปอธิษฐานอย่างนี้ก็ได้ก็ขอให้เทวดารักษาจัดขอให้เทวดารักษารักขันตูสัปเทวตาแล้วเวลาเราไปอยู่ในที่ที่น่ากลัว เ, เนี่ยนะเราก็ท่องบทเนี่ยรักขันตูสัปเทวตาขอให้เทวดารักษาด้วยด้วยรักษาเราแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นเมตตาเป็นการกล่าว กอนวองกล่าวขอหรือกล่าวเชื่อเชินนะเชื่อเชินให้มารักษาแต่ถ้าทำในรูปของเมตตาเนี่ยแล้วกล่าวอย่างนั้นด้วยก็ยิ่งดีคือแผ่เมตตาให้กับเทวดาที่เราเคยพูดกันมาแล้วเนี่ยนานมาแล้วว่าเป็นการทํารีคือให้กำลังแก่เทวดาเวลาเราจะช่วย ช่วยคนอย่างลายที่ผมผมปลาล็อกให้ฟังและกาลังได้เหลือก็อยู่ก็เราก็ดูเนี่ยว่าแม่เขาเนี่ยเป็นคนใจบุญมาเราไปดูลูกมาที่บ้านนะเป็นคนใจบุญเราไม่จากตัวแล้วก็ขึ้นไปบนบ้านในห้องปลาแสดงว่าพบกับปลาใหญ่บุญแต่ลูกกําลังมีเวรมีกรรมแม่ตายไปแล้ว ที่ตายที่อยู่ไหนก็ไม่รู้นั่นก็ก็ให้มานั่งนั่งนั่งสมาธิแล้วก็แผ่พลังองนะไรเงี้สองเนี้ยโมแล้วก็จุดหนึ่งที่เราเห็วนว่าเป็นพลังนี้ใจได้ก็คื อ, เ, อเราช่วยกันคือบอกให้เขาแล้วเราด้วยให้แผ่บุญแผ่เมตตาไปให้หาหาแ ม, าาแมนะ่ว่าแม่อยู่ที่ไหนคือมีบุญมากก็ไปไกลลูกอะหาเงียบตายแล้วหาเงียบเลยถ้าถ้าพ่อแม่คนไหนตายแล้วหายเงียบปะ บุญดีจะไปไกลเลยแต่ดีจนกะทั่งไปมีลูกใหม่จะลืมลูกเก่าและลูกเก่าก็อาจจะไม่ได้ทําสายสทำผัดนี่เราก็ให้ให้แต่แม่ตาว่าแม่ว่าชื่ออะไรนางคนไรว่าเวลานี้ลูกมีความทุกมีความทุกข์คือใจเขาเนี้ยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มันตูมอะตูมแบบเอี่ยวตูมรูนั ง, น ก, งก็ไม่สนุกฟังเทปตัวไหนสนุก ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่สนุกซะทีทําบุญก็ทือทั้งที่ทำเยอะยนะพอใจมนื่อมันไม่รู้เสืออะไรเลยเราก็รู้ดีว่าถ้า ใ, ใจเขาบานไม่ได้อย่างอื่นแก้ไม่ได้อย่างอื่นตรงตามใจเลยหมดก็ให้เขาเปิดตัวใจเนี่ยเราก็ใช้พลังหลายๆอย่างเนีย่ยที่เราฝึกนะให้แม่เนี่ยเข้ามาช่วยให้พลัง ให้จิตใจน่ะเกิดความรู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นไอ้ตอนนี้นะบอกคุณอย่าเพิ่งไปพูดถึงในการแก้ปัญหาอะไรต่างๆนะเอาหวัวใจของคุณในคืนมาก่อนทาําไปแล้วก็ถามเสร็จแล้วก็ถามคราบหมอเป็นยังไงใจเขาชื้นชุ่มขึ้นมาบ้า ง, งัหมเขาก็ไปย่งางน้าหลยใจก็ชุ่มชื้นขึ้ น, นมาบ้างแล้วเข้าชาตเจ้าู้สื่อไปสัมผัสสัมผัสรสชาตแท่งความหวังแห่งความรู้สึกที่ดีขึ้นมาบ้างแล้วเนี่ย ตรงนี้เข า, เาก็บอกเอ่ยยกความดีให้กับแม่คือเรามีพลังอยู่กับกัตัวเนี่ย ก, ก, กัตสกุลเราเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้เรียกมาใช้เราไม่ได้ตัง้งสายสัมผัสเราไม่ได้บอกกล่าวนันก็เมื่อบอกกล่าวเนี่ยท่านก็ก็มาช่วยแล้วก็ขอให้เราได้พบผลทางพบครูบาอาจารย์พบบัณฑิตที่เราเคยเื่อนปูนมาเพื่อจะมาช่วยกันได้ ิานเขาก็บอกว่ากาขาสงสัยเขาฝันถึงคนคน น, งคนนั้นแต่คนเนี้ยไม่รู้ใครทำอะไรลงไปคนนี้ช่วยก็ได้เขายอมผมถ้าหลอกผมให้ห ล, อ, อ, กล อ, อกผมไม่ใช่ไปไปบอกว่าฝันถึงก็อาจจะเป็นงนั้ก็ได้นะเราก็เลยต้องหลงทําย่ อ, อไปกลางกลางก่อ พวกนี้นะถ้าเราเราแผ่เมตตาแผ่ความรักไปเนี่ยคนพอมันเกิดความรู้สึกคือถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยผมก็บอกแล้วมันช่วยในพลังนี่ที่จำกัดบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะช่วยเรื่องวัตถุร่างการเงินเรื่องอะไรกันได้แต่ว่าในบางรายเนี่ยอย่างอย่างกรณีเนี้ยเอางเงินไปช่วยเขาไม่ได้เลยมีแต่เขาน่จะให้เงินคนอื่นเงินช่วยเขาไม่ได้จริงๆอะไรก็ช่วยเขาไม่ได้มันซื้อไม่ได้จริงๆเขากระจายเราเร่ืมเื้อไม่ได้ ทีนี้ให้มันุกยเนี่ยมันก็พยายามได้แต่ร่างกายแต่ถ้าเป็นเทวดาเนี่ยเขามีความสามารถทานจิตมีพลังบุญอะไรอะไรถูกถ้าเราใช้เป็นนะเขาก็จะไม่มีส่วนเึง่มเราได้และเทวดาที่ดีที่สุดเนี่ยให้ค้นออกจากเทวดาในสกุลเพราะเทวดาสกุลเนี่ยเขามีแก่ใจด้วยนะขอให้เขาเขาช่วยได้เลย ขอให้เราบอกกล่าวเล่าค่ะสร้างสะพานที่ย่อมไปถึงกันเราจะช่วยกราได้เ mm hmm. ทวดาสกุลเทวดาเจ้าที่อะไรอะไรเราใช้เทวดาไดา้เพราะนั้นบอกว่าคบกับเทวดาเนี่ยต้องต้องใช้เทวดาให้เป็นหือเราพูดกันเองอย่าให้เทวดาได้ยินอะไรหลอกใช้เทวดาเฝ้า บ, บ้านให้เก็บไปเลยอยากมา อยู่ที่เราเนี่ยเราถือกันโหดเทวดาไม่ได้ถือจะโหน <c oughs> แล้วเราก็ให้กําลังคือให้บุญเขเนี่ยมันไม่ได้ให้ให้เงินเดือนนะนะให้บุญก็านดีที่สุดยิ่งทํานานเนี่ยนะโอ้เขายิ่งได้พลังมากความรักเราก็มากอนุภาพเขาก็จะช่วยเราก็มากขึ้นหรือช่วยคนที่เราต้องการให้ช่วยคืออย่างที่พระมันบอกเทวดาจงรักษาค่ะ เป็นร่างเก่งๆเน่ยนะท่านไม่ได้ตัวตวปะปางเดวดาเป็นลูกศิษย์ท่านใยอะๆนะบอกวาคนนี้าใครจะช่วยคนนี้ให้ใครจะช่วยคนนี้เดวแดาคนนึงก็ยกมือบอกว่าคนนี้เคยเกื้อกูลเอาไว้ผมช่วยเองครับหลวงพอ่ออะไรเนดะวดาก็าไปช่วยไปอะไรุดป็นแจกเดวดาได้เดวดาัปเหมือนเหมือนที่ที่เขาเลยาแจกร่ายกมันเนเทียบให้ฟังนะ นี่ไอ้ถ้าเป็นพกข้อมลบอบีแจกผีอ่ะไอ้นี่เรื่องจริงๆนะไอ้ที่ทําอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วผีมันไม่ต้องแจกไม่อยาไปแลว้วคนไหนมันพึ่งได้มันเปลี่ยนเบี่ยนได้มันก็จะเกาะแต่ถ้าเทวดาเนี่ยเขาไม่ได้ไม่จําเป็นต้อไปเกาะเขาจะไปอ mm ยู hmm. ่ก mm ับใครเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าคนนั้นเขาควรจะเรือกูไหมเว้นแต่พวกเทวดาชั้นสาที่ต้องมาสายมนุษย์บางคนกินก็อาจจะ มาในลักษณะค่อนข้างจะกุริภูจอหน่อะไรพระพุทธเจ้าเนี่ยมันทั้งเกิดอย่างเนี้ตอนไหนก่อนนะปีเอเสดวดาสเสวดาเสวดามาจะมาขออยู่ต้นไม้ท่า น, นก็บอกนะ่ะต้นไม้ต้นนี้ว่างเสดวดาองค์นั้นตายก็ดีเสดวดาองค์นี้ไปเกิดภูสูงขึ้นบุดิจะไปอยู่แล้วอะไรนี่ก็ปักปังกันอา่าให้เสดวดาเกิดมาเข้ามาดูแล นี่ไอเราเนะี่ยมันมองเห็นเทวดาไม่ได้นะใช่ไหมเห็นได้ผมเนะี่ยมันไม่เห็นหรอกมันรู้ด้วยวิธีอย่างอื่นด้วยที่ อ, อื่นนะก็หมายถึงว่าไม่ได้เห็นได้ตาเหมือนอย่างที่เขคนเก่งๆก็เห็นก็หลับตาแล้วก็เห็นนี่นะต่เรามันมันไอเห็นบ้างก็มันก็เป็นเรื่องไม่ไม่เป็นหลักเป็นฐานอะไรชัดเจนคือ คนที่จะนิจจรงเนี่ยก็จะต้องหลับฟุบแล้วได้เห็นแต่บางคนเนี่ยเขากําหนดจิดกกาหนดกําหนดจิตแล้วก็มีความสะพร้อนกลับออกมาในทางความรู้อืน่นเทวดาอะไร น, นะนเทวดาแล้วมีสารพัดแบบแล้วแต่ชาติรูกรางอย่างคุณก็มี <c oughs> หมายว่าเทวดาที่เขาไปจากมนุษย์แล้วก็ <c oughs> อยู่ใน ในสภาพธรรมดาใกล้เคียงกัมนุษย์เนี่ยก็ยังผูกันในมนุษย์เทวดายังผูกในใต้ไร่ชะนอมมีนะเทวดาแบบนุ่งเป็เกงขากล้วยแลบชะลาวไร่ชะนานก็มีเทวดาพวกภุมิมัติเทวดาชั้นสัพถ้าเป็นพวกชั้นสูงเ้าก็ก็เหมือนคนกันถูกรูปร่างก็คล้ายค้มนุษย์แต่ว่าละเอียดระลึกกว่ามนุษย์ีพูดถึงเทวดาปกติทั่วไป ถ้าเป็นพวกเทวดามีลักษณะ <c oughs> ให้รอยบาปบางอย่างก็จะมีความแตกต่างไปรูปร่างหน้ากลัวตาถ้าหลนตาปนอะไรบางนเป็นพวกที่มีเทวดาที่มีรอยบาปท <c oughs> ี้มาดูที่เจ็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 มีดมาแทงไม่เข้าผมก็เคยลองในวิชาสามเกลืออะไหนะี่เอามีดมาฟันเอามีดมาแทงไม่เข้าจริงนะผู้หญิงก็ก็หลอกผู้หญิงก็ได้มาฟันมาแทงอะไรเงี้ยนะแต่ต้องไปเรียนวิชาเขาแล้วก็มีกระบวน ก, การอะไรนิดหน่อยแต่มันก็เท่านั้นนะ่ะเรียนแล้วก็เท่านั้นแต่ไม่เข้าจริงๆรวมทั้งไอ้สมมติว่าเอาน้ำมันมาต้มไปแล้ว ล, ล้อเล่ามือควานอะไรงนะี้ เอ๊ะไม่รอนดีจิกวามลงไปความไม่ใช่ความจั๊บนี้นะความอะไรก็ไม่ไม่ร้อนแป๊บเดียวน่นะก็เป็นเรื่องอำนาจอำนาจที่ทําให้เกิดความอยู่ยงของอาณาจารีในลักษณะอย่างนั้นได้จบท้งจบราวทีนี้ถ้าเป็นคนที่แผ่เมตตาเนี่ยผนอย่างหนึ่งก็คือตัดไฟแต่ต้นลมไอ้ตัดไฟแต่ต้นลมก็คือ ไฟยาพิษอะไรแต่ออไรไม่มีใครเข้ามาทําอันตรายเรานี้เรว่าตัดไปแต่ต้นลงแต่ถ้าหากว่าไปประศกคราะหระศกเหตุขึ้นเฉพาะหน้าอํานาจของเมตตาิที่แผ่ไฟนั้นทําให้เกิดการดับพิษร้อนได้ทับพิษดับไอ้คมออกคมดาบได้เพราะว่ามันเป็นลักษณะของความตรงกันข้ามกันของความรู้สึกมากิน เพราะว่าเมตตาเนี่ยมันเหมือนเป็นภาวะที่เป็นของเย็นนะฮะโดยปกติถ้าศัตรูของเมตตาก็คือกิเลสร้อนอาจจะกลัวเมตตาอย่างเช่นโทสะเนี่ยกลัวเมตตาเป็นของแพรกันทีนี้ไอ้พวกอาวุธเนี่ยก็เหมือนเป็นของร้อนไฟก็ดียาพิษก็ดีคนที่แพรเมตตาสามารถที่จะ ส ก, กัดผิดหรือล้างผิดไดแต่นี่ต้องเป็นขั้นชานนะแน่นอนนะขั้นชานแน่นอนถ้าเป็นขั้นธรรมดาเนี่ยผมเองยังไม่เคยมีประสบการณ์ส่วนตัวตรงนีนะ้คือที่ใช้อยู่ก็โดยมากก็ตัดไฟแต่ต้นลมก็เลยยังไม่เคยเจอไฟเลยไม่รู้ว่าเจอแล้วจะไม้หรือเปล่านะก็อย่างที่ให้ใช้อยู่เนี่ยเวลา เราเดินทางขึ้นรถลงเรือ <c oughs> หรือว่าใครเขาทะเลาอะบบอว่อกแวงยกพวกดีกันเนี่ ย, ยพวกไอ้ทะเรียนยงก้นเราอยู่ตรงนั้นเราก็ไม่ต้องไปแบบ ท, ท่าตื่นตงใจจะทําใจดีสู้เหลือเข้าไว้สั้งจิตให้เป็นเมตตาก็ร อ, อดมาแล้วสามครั้งแต่ก็ไม่ไม่รับรองว่ามันรอดไมต่ตายหรือเปล่าแต่รอดสาครั้ง ไปครัง้งคือตายนี่แถวไปแถวไอโรงเรียนช่างคนแนึนงนั่งเราก็นั่งอยู่บนรถรถตาประกาศมันก็ขึ้นกรูกมันจะฆ่ามันเราก็นั่งเฉยก็เดินตกใจก็ตกไปแล้วเฉยเพราะถ้าขึ้นเราตกใจเดี๋ยวมันไ ล, ล่ฆ่าเราด้วยแล้วก็วเราก็ทําเฉยแปะในศาลก็ไม่มีอะไรนะจะเรียบร้อยอีกครั้งหนึงก็อยู่แถวตัวอย่างตะแคงเราก็เดินเราก็ทำเฉย มองหน้ามันไม่ทำเป็นเฉยเราก็รู้สึกเออมันเข้าตาเหดียวกันนะ่ะเราแฝลเมตตาแล้วก็มองมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงมันก็ไม่เป็นพฤติกรรมที่อยู่อยู่แต่เราไปทําลนล้างตัวมันเลยเอาเลยเพราะว่าไอพฤติกรรมของตัวเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมอยู่อยู่เราก็แฝงเมตตาบ้างก็ไม่ใส่เป็นอะไรคนบ้าคนเมาก็ ลองใช้ใจมาหลายครั้งแล้วก็ร อ, อดรอดมาทุกครั้งนะถ้าวันไหนไม่รอดจะจะมาบอกแต่รับรองว่าไอ้ เ, อเรื่องอย่างนี้ค่อนข้างจะได้ผลเท่าที่รู้สึกรู้สึกเ่าเนี่ยนะคือพยายามจะพูดแบบไม่ออกปากรับรองอะไรมากนะจะเป็นการ้าภายเกินไป ย่อมตั้งมั่นได้โดยรวดเร็วคำว่าตั้งมั่นได้โดยรวดเร็วนะหมายถึงการทำสมาธิจิตหรือคนที่อยู่ในภาวะตื่นตกใจอะไรตา่างถ้าจะทำสมาธิเนี่ยก็ถึงทามีลดให้แผ่เมตตาและตรงนี้นะผมใช้บ่อยแล้วรู้สึกว่าได้ผลจริงๆโรยข้อยางยิ่ง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 ความพร้อมในการกําหนดกิตให้เป็นสมาธิเกิดขึ้นทันทีเกิดขึ้นอย่างชย์เลยนี่นี่เป็นอันหนึ่งนะฮะเป็นผลในลักษณะเรียกว่าเมตตาเปลื้องนวรณที่เป็นคู่ประปะับแล้วก็เมตตาที่เอเราแผ่ให้ในลักษณะที่เปลื้อ ง, งไอ้สิ่งที่เข้ามาเบียดเบียนจิดที่มองไม่เห็นมองไม่เห็นตัวอันนี้เราพูดเป็นแบบหลักวิญญาณนะแต่แต่ว่าเป็นเรื่องลึกๆนะ คือคนที่ทำสมาธิไม่ได้บางคนเนี่ยเชื่อไหมฮะว่ามันเกิดจากอะไรบางอย่างเข้ามาเบี่ยดเปี่ยนี่มีลายดิ้ายลายเนี่ยผมรับปากของอาจารย์จะช่วยเขาเขาไปฟังสมาธิปราณิพันธ์เป็นผู้หญิงอายุสักสามสิบตอนตอนเขาบอกว่าเวลาที่เข้าไปไหนเนี่ยจะมีคนคนหนึ่งใส่หมวกแบบหมวกปีดอาหาร แล้วนี่ยแล้วเขเหลือบใกล้เห็นแล้วเขาบอกกับเขาว่าเขาเป็นราชการนีฮาเนี่ยซึ่งผมไม่ได้พูดว่ามันจริงไม่จริงนั่นคนเล่าตามเขาพูดไอ้บางรายก็บอกขานะเลสวนเอาอไม่รู้ใครตะใครเนี่ย <c oughs> ก็ไปไล่พ่านะเลสวนออกไปไก ล, แล่แ <c> ล <oughs> ้วปีกเจ้ากำลังให้ออกไปนี่นี่ไลน์นี้บอกเป็นราชการนีฮาร์ <c oughs> ก็บอกนี่มันนั่งฟังธรรมม า, มา พอฟังฟเดี๋ยวพอเปิดเผยมารายการนี้นั่งฟังทำด้วยอ่าเราก็ภูมิใจได้ว่ารายการนี้ได้ให้เกียรติอย่างสูงส่งมาฟังธรรมะที่บริษัทนะลกติเชื่อไหมเชื่อรายการนี้อ่ะไหเชื่อว่าเป็นไหมไม่เชื่อนะผมน้อบอกเลยบอกไม่ได้รอกเพรา ะ, ะาว่าลักษณะจะเจอมันไม่ลุ้กี่ไฟปลายแล้วประเภท อย่างเนี้ยมาต้มมนุษย์เนี่ยทีนี้เขาบอกว่าอันหนึ่งที่ทำให้เขาเสียหายก็คือว่าเขานั่งหลับตาทำสมาธิไม่ได้เวลาหลับตาเนี่ยมันเกิดไอ้จินตนาการอโอ้ยร้อยแปดพันประการบอกเขียนหนังสือได้เป็นเล็มเ็มเนีย mm hmm. เช่นเขานั่งหลับตาผุ เห็นมังกรบ้างเห็นแบบโทรทับสีเลยนะสีนั่นสีนี่เกล็ดสีนั่นสีนี่งอนขาวสีนั่นสีนี่โอ้เห็นชัดเจนเลยแล้วก็มีพฤติกรรมแหมยังกระคุยกันรู้เรื่องบางครั้งก็หลับไปแล้วนี่ยเห็นประเทศไทยโดนระเบิดมีการรบทับจับฝึกกันอย่างโวหน้าตะพึงรัว และยังอย่างอื่นอีกมากมายแม่บุญก็บก่าเออทีถ้าเข้าไปเล่าประสบการณ์ของเขาให้คนไม่รู้อีโอยเนี่ยฟังในคมนับตือกันเป็นแถวนะก็ตันตาทิพูทิพเห็นหนู่นเห็นนี่เป็นตูวเป็นตาเนี่ยไม่ดีว่าเขาเป็นคนฟังธรรมะเขาเชื่อธรรมะมากกว่าเชื่อสิ่งที่เขาเห็นเขาถึงรู้สึกได้ว่าเขามีปัญหาอะอะไรนะ หมายว่ากลังเริ่มขึ้นคือนั่งเท่าไหร่เท่าไหร่จะเห็นเท่านั้นแหะเขาบอกเขาจึงเขาทำกรรมฐานไม่ได้จะไปทำแบบยนอบอกน้องบ้องน้องทำแบบไหนก็หลับตาแล้วก็อาทิตย์มาทันทีเลยกลายเป็นอุปสรรคตังแต่ตอนที่นี่ตรงนี้มันเกิดจากอะไรก็เกิดจาก สิ่งที่มองไม่เห็นนี่แหละครับที่เข้ามาทําให้จิตใจนั้นส่วนแปรปและคนที่เป็นบ้านเป็นหลังเป็นไหลไปได้ในเตุหนึ่งนี่นะที่เกิดขึ้นจากลักษณะอย่างนี้ก็มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะทําสมาธิได้เนี่ยต้องขออัญเชิญราชการที่ห้าของเขาออกมาออกมาแล้วก็ขอให้กระเดดไปที่อื่นองนี้ในการที่ห้าเนี่ยไม่งั้นก็ประสบนิกรคนนี้ ทำกรรมฐานไม่ได้ตลอดชีวิตแน่นอนนะตรงนี้เนี่ยถ้าเราเป็นคนมีเมตตาและใช้พลังเมตตาเป็นอย่างดีว่าแผ่พลังกุ้งกรองตัวอะไรเี้ยนะแผ่ขับไล่แต่กุ้งกรองตัวก็จะทําให้ใจเราเนี่ยมีความเป็นตัวตัวเองแล้วก็เวลาไปทําสมาธิหรือทําอะไรเนี่ยก็จะทําได้โดยอิสระฟังธรรมะหรือจะไปทําธุรกิจ ต้องคอยจุกค <that> ิกๆกันเองเพราะตัหมวกอ่ะคือใล้ยๆเข้ามาสวมอยู่ในตัวแล้วก็มาหมวกเห็นหมวกเห็นติ๊กหมวกแล้วก็ถ้าเป็นลายบ้านทะเลสวนนังน่ะนอนนอนนอนอยู่เนี่ยเห็นแขนก่อนเนีแขนแขนคนเนี่ยเห็นแขนก่อนเห็นแขนเห็นขาไฟไหนก็เห็นคล้ายๆวบๆแวบเนี่ยนะเห็นจริงๆ ก็บอกเห็นดีๆแล้วมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่โหไม่สะดวกใจด้วยประการต่างๆจะไปเข้าข่วมือเห็นแขนวบๆมันโดหดวันโรยมันไม่สะดวกไม่ดีแต่ที่สำคัญคือว่จิตใจกระสับกระส่ายวันๆนี่ถ้าถ้าเรามีพลังเมตตาในสิ่งเหล่านี้ออกสิ่งที่จะมาช่วยเราได้ ที่เราพูดว่าถ้าเราไปเจริญธรรมะแล้วเราแผ่เมตตาหาอาจารย์แผ่ไปใครเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นมนุษย์ไม่ใช่นมนุษย์โดยเฉพาะที่ไม่ใช่นมนุษย์นี่ก็เราก็ต้องมีอยู่เยอะแน่นอนอนะ่ะขอแผ่เมตตาขอให้ได้มาช่วยเสริมจิตของเรานะให้เราเนี่ยพ้นจากกุศลข้ขอขัดข้ององใครต่างๆแล้วแล้วมันก็มีตัวอย่างอีกที่พวกเราคนหนึ่งที่ไปปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียว ไปบวชแล้วก็เวลาปฏิบัติมันมีข้อติดขัดหลายหลายอย่างแกอันนี้ไปติดๆแล้วเขาบอกมาว่าเขาได้อาจารย์อาจารย์ในตัวเขาบอกเขามองไม่เห็นตัวหรอกแต่ว่าไอ้ข้อติดขัดพะไปถึงจุดแล้วอาจารย์มาบอก